ยกพระภากุละว่าเลิศยิ่งฝ่ายอาพาธน้อยพระองค์ก็อาพาธน้อยเหมือนกันสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามอัฏฐปริศนาสื่อไปเล่าว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีายาญสมเด็จพระบรมโล ก, กานาฏ ศ, ศาสดาจารมีพระพุทธดีกาตรัสว่าตถาคตนี้พรหมโน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 สมเด็จพระสัพพันยุบรมครูเจ้าก็ยกเป็นเอตะทะะัะตามคุณวิเศษต่างๆกันใช่ว่าพระองค์เจ้าจะยกย่องพระพากุรเถระว่าพระพากุรเถระนี้เป็นอนุตตรโรไม่มีผู้อื่นจะยิ่งกว่าหรือเสมอเหมือนพระองค์ก็หาไม่ได้ซึ่งสมเด็จพระองค์เจ้าตรัสว่าพระมโนพระองค์เป็นพรามนั้น